ต่อไปเนี่ยนะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสพุทธพจน์คือสอบถามสัจสจการิครณใช่ไหมกายภาวนาของเขาเขาเชื่อเรื่องอัตตกิรมาฐานุโยคทําตนให้เดือดรอ้อนอรจิตภาวนาบอกไม่รู้เนี่ยนะเงีย บ, บเงียบไปแล้วมันไม่รู้พระพุทธเจ้าก็ตรัสพระพุทธพจน์นี้กับสัจจการิครณว่าอักิเวสนะถึงกายภาวนาใดมีอยู่ในการก่อนคือทุกขกิริยาที่ท่านเชื่อเนี่ยนะ ที่มีอยู่ที่ท่านพูดถึงเนี่ยที่ท่านได้เจริญแล้วแม้กายะภาวนาอันนั้นก็ไม่เป็นธรรมะในอริยวินัยนี้ไม่ใช่ข้อปฏิบัติในอริยวินัยนี้เลยอคิเวสณนะแม้แต่กายภาวนาท่านก็ยังไม่รู้เสียแล้วกายภาวนาตรงนี้ในคาสอนหมายถึงการเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาชื่อว่า กายภาวนาแม้แต่กายภาวนาคือวิปัสนาท่านก็ไม่รู้เสียแลว้วที่ไหนแล้วท่านจะไปรู้ถึงจิตตภาวนาคือการเจริญสมถะแล้วสมถะก็ไม่รู้วิปัสสนาก็ไม่รู้เนี่ยนะอันการเจริญกายภาวนาคือวิปัสนาท่านไปกลับไปเข้าใจเรื่องการทรมานตัวขนาดกายภาวนายังไม่รู้เรื่องจะไปรู้จิตตภาวนาได้อย่างไรอักขิเวชนะก็แต่ว่า นะก็แต่ว่าไหนๆก็มาแล้วนะก็คุยกันหน่อยอย่างไรจึงไม่ใช่เป็นผู้มีกายภาวนาคือมีกายอันเจริญแล้วไม่ใช่เป็นผู้มีจิตอันเจริญแล้วนะในที่หนึ่งะในที่สองจะเป็นผู้มีกายอันเจริญแล้วเป็นผู้มีจิตอันเจริญแล้วอันนี้พระองค์แสดงตามให้ฟังว่าอย่างไรไม่ชื่อว่าเจริญกายภาวนาจิตอภภาวณอย่างไรชื่อว่าเจริญกายภาวนากับ จิตตภาวนาเพราะฉะนั้นท่านจงฟังจงทำไว้ในใจให้สาเร็จประโยชน์เราจะกล่าวให้ฟัง น, นะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเรื่องอย่างไรไม่ชื่อว่าเจริญกายภาวนาจิตตภาวนาอย่างไรชื่อว่าเจริญกายภาวนาจิตตภาวนาตั้งใจฟังให้ดีนะกายภาวนาคือวิปัสนาจิตตภาวนาคือสมถะเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าอาคิเวสนะ อย่างไรชื่อว่าไม่ใช่เป็นผู้มีกายภาวนาไม่ใช่ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตตภาวนาคือไม่มีกายภาวนาไม่มีจิตตภาวนาไม่เจริญกายคือปัญญาไม่เจริญจิตให้สงบเลยอะคิเวสนะปุถุชนณโลกนี้หรือปุถุชนในโลกนี้ไม่ใช่เป็นผู้ดับแล้ว อ่าขอไปไม่ใช่เป็นผู้สดับแล้วเป็นปูุ่ชนลุ่นล้วนที่เรียกว่าไม่เคยสักฟังคําสอนไม่เคยประพฤติปฏิบัติในคําสอนอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะสุขเวทนาเกิดขึ้นเขามีความสุขใช่ไหมพอเขาเนี่ยถูกสุขเวทนาถูกต้องย่อมเป็นผู้มีความกําหนัดต่อสุขเวทนาถึงความเป็นผู้มีความกําหนัดต่อสุขเวทนาด้วย เรีว่าพอได้รับความสุขติดในความสุขติดจริงๆเลยเนี่ยนะเหมือนกับว่าเกิดมาไม่เคยพบความสุขพอพบความสุขเข้าไปก็ติดข้อ ง, งหลงไหลพัวพันมัวเมาอยู่กับความสุขอันนั้นแหละแล้วสุขเที่ยงไหมล่ะสุขเวทนานั้นดับไปใช่ไหมพอรูปเปลี่ยนเวทนาก็เปลี่ยนเพราะสุขเวทนานั้นดับไปทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นแทนก็ตรงไหนที่สุขภาพดีพอตรงนั้นมันป่วยเข้ามาเป็นไง ทุ ก, ก็เกิดขึ้นมาแทนพอทุกเขเวทนาเกิดขึ้นเขาเป็นผู้ถูกทุกเขเวทนาถูกต้องแลว้วย่อมเศร้าใจลําบากร่ําไรคร่ําครวตทุบ อ, อกถึงความลหลงไหลไปหลงไปเลยเนี่ยนะพอเรียกว่าพอความตอนแรกพอมีความสุขตอนหลังพอมีความทุกขเข้าทนไม่ได้สมัยใหม่ก็เห็นชัดใช่ไหมคนเคยรวยนะตอนหลังมาก็ทําใจไม่ได้เคยกินดีอยู่ดีเคยทุกอย่างเป็นไปอย่างสบายพอตอนหลังเศรษฐกิจมันแปรไปก็ เสียหายเลยนะทำใจไม่ได้นี่แหละเรียกว่าพวกไม่มีกายะภาวนาไม่มีจิตตะภาวนาสุขเวทนานั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วแกเขาก็ครอบงําจิตตั้งอยู่เพราะเขาเป็นพุนที่หมกมุ่นอยู่ในความสุขมากเนี่ยนะนะนะเพราะความที่กายเป็นของที่ตนไม่ได้เจริญนั้นคนที่ติดความสุขในกายเพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนา เพราะไม่มีกายะภาวนาคือไม่ได้เจริญวิปัสนาผู้ที่ไม่ได้เจริญวิปัสนาพวกนี้จะติดความสุขเทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะความที่จิตเป็นของที่ตนไม่ได้เจริญใครที่เจริญไม่ได้เจริญจิตตภาวนาผู้นั้นจะทนต่อความทุกข์ไม่ได้คือผู้ที่ไม่เจริญกายะภาวนาพวกนี้จะติดในความสุขผู้ไม่เจริญจิตตภาวนาพวกนี้ไม่ทนต่อความทุกข์ อคทีเวสนาะสุขเวทนาแม้่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะความที่กายภาวนาตนไม่ได้เจริญคือไม่ได้เจริญกายภาวนาเลยทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตตั้งอยู่<ท anan>เพราะความที่จิตของตอนไม่ได้เจริญเพราะไม่มีจิตตภาวนาเลย อคกิเวสนะอย่างนี้แลเป็นผู้ชื่อว่าไม่ใช่เป็นผู้มีกายอันเจริญแล้วคือไม่ได้เจริญวิปัสนาเลยไม่ใช่เป็นผู้มีจิตอันเจริญคือไม่ได้เจริญจิตตะภาวนาเลยคือหมายคาอว่าคนที่มีความสุขแล้วติดในความสุขพวกนี้ไม่มีกายะภาวนาคือไม่เจริญกายไม่ไม่ได้เจริญวิปัสนาผู้ใดที่มีความทุกข์แล้วทนไม่ได้ความทุกข์เนี่ย กลุ่มรุมอยู่ในจิตเพราะพวกนี้ไม่มีจิตตภาวนาเพราะผู้ที่ไม่ติดในสุขเพราะเจริญวิปัสนาภาวนาผู้ที่ไม่ไม่ทุกในความทุกเนี่ยนะไม่ระทมจมอยู่กับความทุกขพวกนี้เจริญจิตตภาวนาหรือเจริญสมถะภาวนาผู้ที่เจริญสมถะพวกนี้จะไม่ระทมทุกอยู่กับทุกผู้ที่เจริญกะวิปัสนาภาวนาพวกนี้จะไม่หมดมุ่งไม่หมกมุ่นอยู่กับความสุขเนี okay. ่ยนะเพราะฉะนั้น สุขเวทนากรรมทราบจิตไม่ได้เพรา ะ, จะเจริญวิปัสนาทุกเวทนากรรมทราบจิตไม่ได้เพรา ะ, จะเจริญสมถ ภ, ภาวนาเพราะฉะนั้นวิปัสนาเรียกว่ากายภาวนาส่วนคนที่ถึงความฟุ้งซ่านทั้งกายทั้งจิตเพราะไม่มีกายภาวนาเนี่ยนะในหน้า หน้าหนึาเนี่ยนะกายภาวนาเป็นวิปัสนาหน้าหนึ่งร้ยสามสิกายภาวนาเป็นวิปัสนาจิตตภาวนาเป็นสมาธิวิปัสนาใกล้ต่อวิปัสนาเนี่ยนะเป็นค่าศึกต่อสุขใกล้ต่อความทุกข์สมาธิเนี่ยนะเป็นค่าศึกต่อทุกข์อยู่ใกล้กับความสุขนะใกล้นะหน้าหนึ่ง้ามสิบรรทัดที่78 9เเป็นต้นเนี่ยนะ สรุปว่ากายภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาใกล้ต่อทุกข์ไกลกับสุขส่วนจิตตสมาธิพวกนี้ค่าศึกเป็นปฏิบัติต่อทุกใกล้ต่อความสุขเนี่ยนะคือผู้ที่เจริญวิปัสนาเนี่ยตามเห็นแต่ทุกใช่ไหมผู้เจริญวิปสมถภาวนาเนี่ยพวกนี้มุ่งกับความสุข พราะอะไรเพราะวิปสัสสนาสมถะทั้งหลายประกอบไปด้วยอะไรวิตกวิจารณ์ปี ต, ต, ติสุขเกิดจากวิเวดังนั้นผู้ที่เจริญสมถะพวกนี้ใกล้ต่อสุขมากน้อมไปเพื่อความสบายมากแต่ผู้ที่เจริญวิปสัสสนานั่นเป็นทุกข์นั่นก็ไม่เที่ยงนั่นเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฟีเป็นลูกซ้อนเป็นต้นเน่ยนะมันก็จะอยู่ในลักษณะนั้น อธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นอย่างไรจริงอยู่เมื่อพระโยคาวจรเริ่มนั่งเจริญวิปั ส, สนามนัสิกาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นต้นเนี่ยนะระยะการผ่านไปนานจิตของท่านย่อมเดือดร้อนดิ้นรนปรากฏเหมือนไฟที่ลุกโพลงในที่นั้นเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้เหมือนเกลียวความร้อน ตั้งขึ้นจากศีสาวด้วยเหตุเพียงเท่านี้วิปัสนาเป็นค่าศึกต่อสุขใกล้ต่อความทุกเนี่ยนะก็จริงอนะคนที่พิจารณาแม้ความเกิดก็เป็นทุกขแม้ความแก่ก็เป็นทุกแม้ความตายก็เป็นทุกแม้ความเศร้าโศกก็เป็นทุกแม้โศกับปริเทวะทุกอย่างเป็นทุกหมดเลยตาก็เป็นทุกหูก็เป็นทุกขเป็นต้นยิ่งคิดอย่างนี้มากๆนี่เหงื่อท่วมเลยนะเครียดเลยนะนะเร่าร้อนเพราะวิปัสนาใกล้ต่อทุกไกลต่อสุขเป็นปฏิปักษ์กับ ความสุขเนี่ยนะพวกนี้จะไม่เห็นว่าอะไรมันเป็นสุขแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ดูของสวยของงามก็ยังเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะกว่าจะสแสวงหามาได้กว่าจะทําได้ต้องดูแลรักษาบํารุงเยียวยาพวกนี้ไปเห็นสวนดอกไม้ก็ยังไม่มีความสุขทําไมโอ้เนี่ยดอกไม้เหล่านี้นะมันกว่าจะปลูกได้มันจะเหนือ่อยขนาดไหนเนี่ยต้องหานา้ําหาปุย๋ยหายาหาอะไรมากว่าจะปลูกสําเร็จปลูกสําเร็จเดี๋ยวดูแลไปเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวมันก็เฉาพวกนี้เห็นเป็นภาราเห็นเป็นทุกข์หมดะนะ พวกนี้พ่ อ, อะหรพพวกนี้เจริญวิปัสสนามากๆมันจะเห็นเห็นเบื้องหน้าเห็นเบื้องหลังเห็นเห็นรอบไปหมดมันไม่รู้จะยินดีทำไมเนี่ยนะส่วนพวกที่เจริญส ม, มะถะทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้ใกล้ต่อใกล้ต่อสุขไกลต่อทุกขเพราะฉะนั้นท่านบอกต่อไปว่าเมื่อทุกทางกายหรือทางจิตเกิดขึ้นแล้ว ความทุกข์ในขณะสมาบัติของผู้ข่มทุกข์นั้นแล้วก็เข้าสมาบัติย่อมปราศจากทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อมีความทุกข์ปับ๊บหลีกเข้าไปเจริญสมาบัติเจริญสมาธิเนี่ยนะอย่างโลอย่งลงสู่สุขไม่น้อยหมายความว่าแหมสุขจริงๆเลยคือสมาธิเมื่อเป็นเช่นนี้สมาธิจึงเป็นค่าศึกคือใกลต่อความทุกข์อยู่ใกล้ต่อความสุขวิปัสสนาเป็นค่าศึกต่อสุขใกล้ต่อทุกข์ฉันใด สมาธิไม่เป็นอย่างนั้นหรอกสมาธิเป็นฆ่าศึกต่อทุกใกล้ต่อสุขเพราะฉะนั้นวิปัสสนาไม่เป็นอย่างนั้นวิปัสสนาไม่ได้ใกล้ต่อสุขเลยแต่ใกล้ต่อทุกสมถะทั้งหลายใกล้ต่อสุขไกลต่อทุกเป็นฆ่าศึกต่อทุกฉะนั้นเนี่ยนะพันในหน้า111ยอ่อหน้าสุดท้ายะนะบอกว่าคนที่ไม่เจริญ คนที่เจริญกายภาวนาจิตภาวนานะคือคนที่มีสมถะและวิปัสนาอคิเวสณะอย่างไรชื่อว่าเป็นผู้มีกายอันเจริญแล้วด้วยคือเป็นผู้มีการเจริญวิปัสนาภาวนาอย่างไรชื่อว่าเป็นผู้เจริญจิตตาจิตตาภาวนาคือเจริญสมถะเจริญสมาธิเนี่ยนะอคิเวสณะเมื่ออริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้ มีความสุขเกิดขึ้นหรือว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นเธอถูกสุขเวทนาถูกต้องก็มิได้เป็นผู้มีความกำหนัดในสุขมิได้ถึงความเป็นผู้ถึงความกำหนัดในสุขเพราะเห็นสุขเนี่ยนะก็บอกว่าเห็นสุขเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะภาษะก็ไม่เที่ยงวัตถุและอารมณ์ก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะ เมื่อตาก็ไม่เที่ยงสีก็ไม่เที่ยงจักรคูวิญญาณไม่เที่ยงจักรคูสัมผัสก็ไม่เที่ยงแล้วความสุขที่มาจากทวารตามันจะเที่ยงมาจากไหนนะหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงโสตวิญญาณก็ไม่เที่ยงภาษะก็ไม่เที่ยงแล้วความสุขในการฟังเนี่ยจะเที่ยงมาจากไหนจมูกก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงคานะก็ไม่ที่คานะวิญญาณก็ไม่เที่ยงคานะสัมผัสก็ไม่เที่ยงแล้วความสุขมาจากจมูกเนี่ยนะจะเที่ยงมาจากไหนลิ้นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยง ชิวหาวิญญาณก็ไม่เที่ยงภระสักก็ไม่เที่ยงแล้วความสุขที่มาจากเคี้ยวกินลิ้มรสเนี่ยจะสุขมาจากไห น, นมันจะเที่ยงมาจากไหนเนี่ยนะแม้แต่กายก็ไม่เที่ยงโพธภาภะก็ไม่เที่ยงกายะวิญญาณก็ไม่เที่ยงกายะสัมผัสก็ไม่เที่ยงแม้แล้วสุขเวทนาที่มาจากสิ่งเหล่านี้มันจะเที่ยงมาจากไหนเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่กำหนัดในความสุขใจก็ไม่เที่ยงเรื่อง ท, ที่ใจเอามาคิดก็ไม่เที่ยง ความคิดทุกๆความคิดก็ไม่เที่ยงภาษาก็ไม่เที่ยงแล้วความสุขในจิตมันจะเที่ยงมาจากไหนเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นผู้ไม่มีความกำหนัดในสุขเลยเพราะอะไรเพราะเห็นวัตถุวิญญาณทวารอารมณ์ของสุขไม่ได้ยั่งยืนเลยจะมามัวเพลดิดเพลิน อ, อยู่ทำไมในสิ่งเหล่านั้นเล่าเนี่ยนะก็เหมือนอะไรเนะีเหมือนบ้านถูกบ้านอะไรนะเหมือนบ้านเรียงเรียงกันเนี่ยนะเจ็ดหลังในชะ่บ้าน ต้นๆเนี่ยนะบ้านต้นไฟไฟไหมหมดเลยแล้วบ้านท้ายไฟใครที่นั่งอยู่ที่บ้านท้ายไฟเนี่ยนะจะนั่งอย่างยิ้มมีความสุขเลยใช่ไหมเออดีใจจังเลยบ้านเราไม่ถูกไฟไหมแต่ลมตีมาหาบ้านเราหมดนะนั่งยิ้มได้ไหมบอกไม่ได้ครับถึงจะไฟมันยังไม่ไหมแต่ต่อไปมันก็ไหมสิ่งเหล่านี้ตอนนี้ถึงมันยังไม่เที่ยงแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่เที่ยงเพราะวัตถุวิญญาณทวารอารมณ์เหล่านี้ไม่เที่ยงแล้วความสุขเหล่านั้นจะเที่ยงมาจากที่ไหน นะเพรา ะ, ะนั้นพอความสุขนั้นดับไปอะไรเกิดตามปกตินะถ้าหมดความสุขทุก็ตามมาเพราะสุขเวทนาดับไปทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นเธอถูกทุกขเวทนาถูกต้องครบก็ไม่เศร้าใจไม่ลำบากไม่ร่ําไรไม่คร่ําครวญไม่ทุบอกไม่ถึงความหลงพร้อมไปเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเจริญสมาธิเพราะพวกนี้หลีกอกอกจากความทุกได้ ด้วยการเจริญอะไรเข้าสมาธิเข้าปฐมฌานที่ประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากสมาธิหรือสุขเกิดจากวิเวก น, นะเพราะวิตกวิจารสงบไปเนี่ยนะมีแต่ปีติสุขเกิดจาก สมาธิเป็นเอโกโที่ภาวะเพราะปีติดับไปเหลือแต่สุขเนี่ยนะเพราะสุขทุกโสมนทโทมนัสอุเบะดับก่อ น, นดับไปหมดแล้วเหลือแต่อุเบคาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์เป็นต้นเั้นคนที่เจริญสมถะทั้งหลายเนี่ยนะน้อมไปเพื่อความสงบน้อมไปเพื่อความสบายเพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นพวกนี้ไม่ได้ทุกตามไปด้วยเพราะอะไร เพราะแทนที่จะนั่งจมอยู่กับความทุกข์พวกนี้ไปคิดเรื่องสมถะเจริญสมถะอยู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็อะไรเหมือนกับคนบ้านถูกไฟไหมเอาหลบไปตั้งนานแล้วไม่ได้ถูกเผาด้วยโรคเนี่ยนะเพราะนั้นก็กลายเป็นผู้ที่ฉลาดเพราะมีความสุขก็ไม่กำหนัดในสุขเพราะมีวิปัสสนามีความทุกข์ก็ไม่ติดอยู่ในทุกข์เพราะมีสมถะไม่ถูกทุกครอบงำจิตใจเนี่ยนะนะคนที่เจริญสมถะจริงๆแล้วทุกทั้งหลายจะไม่ครอบงำจิตใจ คนที่เจริญวิปัสสนาทั้งหลายมากๆพวกนี้จะไม่ติดในสุขไม่ติดในสุขเพราะเจริญวิปัสสนาไม่โทมนัสเสียใจในกองทุกข์เพราะเจริญสมถะสมถะและวิปัสสนาจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุกข์